ความรู้จักต้นเหตุของทุกข์ความรู้จักลักษณะที่ดับไปแห่งทุกข์และความรู้จักวิธีดับทุกข์โดยย่นย่อคือเข้าใจทั่วถึงในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เป็นอย่างดีนั่นเองสสั ม, มาสังกับปะคือการดาริชอบมุ่งหมายเอาความดาริในการออกจากกามความดาริในการไม่พยาบาท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 การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้และการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามห้าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบละเว้นการเลี้ยงชีพที่ผิดหกสัมมาวายามะคือความเพียรชอบหมายถึงการทำให้เกิดความยินดีเต็มใจประกอบความเพียรมีอาการประคองจิตไว้